เรื่องเล่าผีหลอนตอนบ้านพักผีเฮียนคุณใสมลดำขเขมรเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องลี้ลับโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังโดยเรื่องนี้เจ้าของเรื่องได้เล่าว่าดิฉัน อายุ32ปีทำงานเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งดิฉันมีโอกาสได้ไปทำงานที่ต่างจังหวัดบ่อยแต่ละจังหวัดที่ไปทำงานนั้นเราจะต้องพักเป็นเวลาหลายวันซึ่งที่พักแต่ละที่นั้นมีทั้งดีและไม่ดีแต่มีสถานที่หนึ่งนั้นทำให้ดิฉันลืมมันไม่ลง เป็นสถานที่ที่ทำให้จามันมาจนถึงทุกวันนี้ดิฉันกับกลุ่มของเราได้รับมอบหมายให้ไปประชาสัมพันธ์สินค้าที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานเป็นเวลาสามวันดิฉันได้ให้น้องในกลุ่มหาสถานที่พักเหมือนเช่นเคยแต่รอบนี้หาที่พักยากเป็นพิเศษเพราะเป็นช่วงเทศกาล หาเท่าไรก็หาไม่ได้สักทีจนมาเจอที่หนึ่งเป็นที่พักที่ห่างจากตัวอำเภอเมืองพอสมควรที่พักชั้นล่างเป็นปูนข้างบนชั้นสองเป็นไม้ดู ร, มรวมๆแล้วก็โอเคเราจึงตัดสินใจพักกันที่นี่ดิฉันไม่คิดเลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่พลาดที่สุดในชีวิต ก่อนการเดินทางทุกครั้งเราจะรวมกลุ่มไปทำบุญกันเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางเราเลือกไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งย่านฝั่งธนบุรีซึ่งเป็นวัดประจำที่เราทำบุญกันก่อนเดินทางเราเตรียมสังฆทานดอกไม้สิ่งของอื่นๆไปถวายพระก่อนจะกลับจากวัดนั้นพระท่านได้ทักว่า รอบนี้พวกเองคงกลับมาไม่ครบทุกคนนะแล้วแต่บุญวาสนาพวกเราหันหน้ามองกันพี่คนในกลุ่มเลยถามพระว่ามีอะไรหรือเปล่าหลวงพ่อหลวงพ่อมองหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรหลวงพ่อได้หยิบขันพรมน้ำมนต์มาพรมให้กับกลุ่มเราแล้วก็พูดขึ้นว่าอาตมาเป็นพระ พูดอะไรไม่ได้หรอกแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมของแต่ละคนในเวลานั้นพวกเราไม่ได้คิดอะไรมากยังแซลคนในกลุ่มอยู่เลยว่าสงสัยพี่ในกลุ่มจะได้เป็นเมียของคนอีสานคงไม่ได้กลับมาทำงานแล้วละ่ะเราพูดคุยกันไปอย่างสนุกสนานพอดิฉันกลับมาถึงบ้านเตรียมเสื้อผ้าของใช้ต่างๆลงกระเป๋า เพื่อการเดินทางวันพรุ่งนี้ในเวลาช่วงที่ดิฉันกำลังจะนอนตอนรู้สึกกาลังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั้นก็ไม่รู้ว่าฝันหรือเปล่าดิฉันเห็นภาพของยายของดิฉันเองมาบอกว่าอย่าไปเลยพร้อมกับดึงมือของดิฉันไม่ให้ขึ้นรถตู้พอพูดจบดิฉันก็สะดุ้งตื่นรู้สึกเจ็บข้อมือ รู้สึกปวดปวดดิฉันงงว่ามันคือความฝันหรือคิดมากไปเองกันแน่เพราะปกติดิฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วดิฉันก็พยายามจะไม่คิดอะไรมากพอถึงตอนเช้าก่อนออกจากบ้านดิฉันเห็นรูปกลุ่มเราที่ทายด้วยการหล่นลงบนพื้นกระจกแตกกระจัดกระจาย แต่ด้วยรถตู้มารอรับที่หน้าบ้านแล้วเลยตะโกนบอกแม่ให้แม่มาเก็บให้ด้วยเพื่อนมารอรับแล้วดิฉันรีบเอาเครื่องใช้สัมภาระต่างๆขึ้นรถเดินทางทันทีขณะที่รถออกดิฉันมองกลับไปที่บ้านเห็นคุณยายมายืนอยู่หน้าบ้านดิฉันตกใจมากรู้สึกหน้ามืด ตอนนั้นกังวลใจรู้สึกไม่ค่อยดีกับการเดินทางครั้งนี้เหมือนมีลางบอกเหตุอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้สนใจพยายามคิดจะรีบทำงานให้เสร็จแล้วรีบกลับบ้านก่อนจะถึงตัวจังหวัดฟ้าก็เริ่มมืดลงทุกทีเพื่อนเพื่อนต่างพากันนอนพักผ่อนดิฉันก็เล่นโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยเปื่อยแต่รถ ก็ค่อยๆหยุดลงข้างหน้าได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นรถติดยาวและรถของเราก็ได้ขับผ่านได้เห็นอุบัติเหตุรถเก๋งกับรถมอเตอร์ไซค์ชนกันคนขับรถมอเตอร์ไซค์โดนรถที่ขับตามมาเหยียบซ้ำเหยียบไปครึ่งศีรษะจนสมองไหลเป็นภาพที่น่าสยดสยองมากแต่ที่ผิด ส, สังเกตไปกว่านั้น เราเห็นคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้กำลังมองมาที่อุบัติเหตุคนที่มองมาเหมือนคนขับมอเตอร์ไซค์มากเราคิดว่าคงใช่แล้วละ่ะตอนนั้นเราไม่กล้าบอกใครว่าเราเห็นทำอะไรไม่ถูกได้แต่ขมตาให้หลับในที่สุดรถก็เข้ามาถึงตัวเมืองเราได้แวะซื้อของกันข้างทาง เ พ, เพื่อนก็เห็นดิฉันทำหน้าไม่ดีไม่สบายใจก็พากันถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าดิฉันก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกปวดหัวนิดหน่อยไม่อยากทําให้เพื่อนไม่สบายใจในขณะนั้นเองดิฉันได้เห็นเหมือนพี่น้องแฝดในกลุ่มทั้งสองคนไม่มีสีสันดิฉันตกใจซุดลงไปกับพื้นตกใจกับภาพที่ได้เห็น ดิฉันเริ่มรู้สึกไม่ดีเลยขอไปนอนพักบนรถตู้ก่อนทุกคนรีบซื้อของแล้วขึ้นรถตู้เพราะเริ่มรู้สึกไม่ดีกันแล้วในขณะที่กำลังขับไปที่พักนั้นก็ได้คุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นลุงคนขับรถตู้ก็บอกว่ารู้สึกไม่ดีตั้งแต่ขับเข้าจังหวัดแล้วเหมือนมีอะไรสักอย่าง เราเลยคุยกันว่ากลับกันก่อนไหมหลังเทศกาลค่อยมาทำงานกันใหม่แต่พี่หัวหน้าก็บอกว่ามาขนาดนี้แล้วจะกลับทำไมอีกอย่างก็ใกล้จะถึงที่พักแล้วด้วยหัวหน้ายังบอกอีกว่าวันนี้คงนั่งรถเหนื่อยมาทั้งวันแล้วกลับที่พักไปพักกันก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันสรุปแล้ว เราจึงเดินทางกันต่อทางเข้าที่พักของเรานั้นสองข้างทางมันมืดมากแล้วไม่มีบ้านคนอยู่แถวนั้นเลยบ้านที่เราพักอยู่ในซอยเปลี่ยวเรามาตามบ้านพักตามแผนที่แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมันก็ดึกมากแล้วด้วยเพื่อนทุกคนภายในกลุ่มก็กังวลกันจนมาเจอบ้านหลังหนึ่ง เราเลยจอดถามทางว่าที่พักของเรานั้นไปทางไหนในขณะที่เราบอกชื่อที่พักนั้นชาวบ้านก็ทําสีหน้าแปลกๆแล้วเอามือชี้ไปทางซ้ายบอกเลยสามแยกไปก่อนบ้านพักอยู่ในซอยขวามือแล้วเราก็ขับตามที่ชาวบ้านบอกไปพวกเราทั้งหมดก็ตกใจกันเมื่อกี้ เราก็ผ่านตรงนี้มาแล้วทำไมไม่เจอน้องในกลุ่มเริ่มสีหน้าไม่ดีเหมือนจะร้องไห้บอกพี่หัวหน้าหนูไม่อยากพักที่นี่แล้วรู้สึกไม่ดีแต่หัวหน้าก็ยืนยันคำเดิมว่าเรามาถึงที่นี่แล้วเราคงต้องเข้าพักแล้ว รถตู้ก็ได้มาจอดหน้าบ้านเราก็พากันยกของลงจากรถเพื่อที่จะนําเข้าไปเก็บในบ้านขณะที่เราเดินเข้าบ้านเราสังเกตได้ว่าบ้านนี้เพิ่งถูกตัดหญ้าทําความสะอาดเหมือนไม่มีคนมาอยู่ที่นี่นานแล้วเราก็จัดแจงแยกย้ายกันพักผ่อนเวลานั้นไม่คิดอะไรแล้วเหนื่อยอยากพักผ่อนมากกว่า บ้านนี้ทั้งหมดมีสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ามีห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนจะอยู่ข้างบนทั้งสมห้องใช้ได้สองห้องส่วนอีกห้องหนึ่งเจ้าของบ้านบอกไว้ว่าห้องนี้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆเจ้าของบ้านได้ล็อกกุญแจห้องไว้ห้องที่เราพักอยู่บนชั้นสองติดกับห้องที่ล็อกกุญแจไว้ ส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นห้องของพี่น้องฝาแฝดพวกหนุ่มๆจะนอนข้างล่างกันทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนตามปกติเราก็อาบน้ํานอนเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะเข้าไปทำงานในตัวเมืองในขณะที่นอนอยู่นั้นเราได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนเดินอยู่ที่ห้องข้างๆ และเสียงเหมือนกับคนกำลังลากอะไรสักอย่างดิฉันคิดว่าคงโดนหลอกแล้วเลยพูดในใจว่าพรุ่งนี้ตอนกลับมาจะซื้อน้ำซื้อดอกไม้มาถวายให้ผ่านไปสักพักเสียงเดินก็ค่อยๆหายไปขณะที่นอนกำลังเคลิมคล้มๆดิฉันก็รู้สึกเจ็บที่หน้าอกเหมือนมีคนมาเหยียบพยายามจะขยับตัว แต่ก็ขยับไม่ได้ดิฉันจึงกลั้นใจฝืนลืมตาขึ้นมาก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดสีดำนั่งยองๆ อ, อยู่บนหน้าอกคือตอนนั้นไม่ไหวแล้วน้ำตาไหลสวดมนต์ต่างๆให้เขาไปไวายามายุ่งกับดิฉันแต่เขาก็ไม่ไปเขาก็นั่งโยกตัวอยู่บนหน้าอกแล้วก็พูดพึมพำจากนั้นเราก็หมดสติไป มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนได้ยินเสียงเคาะประตูดิฉันก็เลยรีบลุกไปเปิดประตูห้องก็เห็นน้องผู้หญิงที่นอนกับดิฉันดิฉันรีบเข้ากอดน้องทันทีดิฉันร้องไห้อยากจะกลับบ้านพอเราทำอะไรเสร็จเราก็รีบลงมาข้างล่างมาคุยกันเราได้เล่า ว, ว่าเจออะไรมาบ้างพอเล่าเสร็จ พี่หัวหน้าที่นอนข้างล่างก็บอกว่าเมื่อคืนตอนที่นอนนอนกันอยู่มองไปที่ข้างบนก็เห็นเหมือนตาคนมองลงมาที่ข้างล่างตาสีแดงกล่าพี่หัวหน้าเขานอนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นซึ่งห้องนั่งเล่นนี้จะอยู่ตรงกับห้องที่เจ้าของบ้านล็อกไว้แล้วบนชั้นสองจะเป็นไม้พี่เขามองทะลุช่องไม้ขึ้นไป ทุกคนต่างพากันตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยู่ที่ห้องนั้นหรือเปล่าเราเลยถามฝาแฝดว่าเจออะไรไหมนางก็บอกไม่เจอหลับสบายดีลุงคนขับรถตู้ได้เอาเศษหนังบางอย่างให้ดูในเศษหนังอันนั้นเขียนเป็นอักษรลุงบอกเป็นภาษาขเขมรลุงเจอมันที่หลังบ้าน พี่หัวหน้าก็บอกว่างั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทำงานกันก่อนเสร็จแล้วรีบไปวัดกันหลังจากที่เราเคลียร์งานเสร็จก็รีบไปวัดแล้วได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อทำสีหน้าตกใจแล้วบอกว่ารู้ไหมเขาตามพวกเองมาจากบ้านยังนั่งรอพวกเองอยู่ในรถทุกคนพากันเครียดหนัก เลยถามว่าหลวงพ่อมีวิธีไหมหลวงพ่อเลยบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเท่าที่ช่วยได้ก็แล้วกันหลวงพ่อได้นำน้ำมนต์ไปพรมทั่วรถก่อนกลับก็ได้แจกสายสินให้คนละอันแล้วบอกว่าขอให้มีสติอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดหลังจากที่เรากําลังจะกลับลุงขับรถตู้ก็ได้บอกว่า เขามีญาติที่รู้จักกับพ่อหมอเห็นเขาบอกว่าอยู่จังหวัดนี้ถ้าเราอยากไปเดี๋ยวเขาจะโทรไปถามทางให้ทุกคนพากันตกลงเดินทางไปหาพ่อหมอสุนักก็ได้พากันหอนตลอดทางเข้าบ้านพอถึงบ้านพ่อหมอก็ได้มีหญิงชราแก่ๆคนหนึ่งเดินมารับหญิงชราคนนี้ ได้แต่งตัวชุดสีขาวเหมือนคนถือศีลหญิงชราได้บอกว่าพ่อหมอรออยู่ในเรือนรีบเข้าไปหาเขาดิฉันสังเกตว่าหญิงชราคนนั้นได้แต่มองรถตู้ทำสีหน้ากังวลอย่างชัดเจนเมื่อเราได้ขึ้นบ้านไปพบพ่อหมอในห้องของพ่อหมอมีโต๊ะพระเครื่องชุดใหญ่แล้วก็มีหุ่นแปลก ดูท่าทางน่ากลัวบรรยากาศทำให้คนลุกหมอเป็นผู้ชายอายุน่าจะราวราวเจสบถึงปดสิปีพอหมอได้พูดขึ้นว่าพวกเองรู้อยู่หรือเปล่าว่าเล่นอยู่กับอะไรทำไมพวกเองถึงไปยุ่งกับเขาพวกเองอยากเจอดีกันใช่ไหมทุกคนได้ฟังดังนั้นก็พากันตกใจพี่ในกลุ่มเลยพูดไปว่า พวกเรามาทำงานไม่ได้มารบกวนใครทำงานเสร็จแล้วเราจะรีบกลับบ้านกันพ่อหมอก็บอกว่าพวกเองไปอยู่ที่ของเขาเขาจะเอาพวกเองไปอยู่ด้วยและลุงคนขับรถตู้ก็ได้หยิบหนังที่เก็บได้มาให้พ่อหมอดูพ่อหมอได้มีสีหน้าเปลี่ยนไปแล้วบอกว่าหนังที่เก็บได้อันนี้ เป็นหนังของคนตายโหงคนที่ทำเกี่ยวกับพวกนี้เป็นคนที่เล่นของขเขมรพ่อหมอเด้นนำหนังอันนั้นใส่ขันซึ่งในขันก็มีน้ำมนต์แล้วพ่อหมอก็สวดทำพิธีขณะที่สวดอยู่นั้นก็ได้เกิดลมแรงปิดประตูนหน้าต่างเสียงดังหลายครั้งหมาแถวนั้นก็ต่างพากันหอนตลอด แล้วก็ได้กลิ่นแปลกๆคล้ายกลิ่นซากศพลอยมาพอทําพิธีเสร็จลมกับเสียงต่างๆก็ได้หยุดลงพ่อหมอได้พูดอีกว่าเขายังไม่จบเขาจะเอาพวกเองไปอยู่ไปรับใช้เขาพี่ในกลุ่มเลยพูดว่างั้นเรากลับกรุงเทพกันไม่อยู่ที่นั่นกันแล้วพ่อหมอก็บอกอีกว่าเอง็งหนีไปไม่พ้นหรอก ในเมื่อพวกเองไปอยู่ที่ของเขาแล้วเขาก็จะตามเอาเองไปอยู่ด้วยตอนนั้นเราทนไม่ไหวแล้วได้พูดกับพ่อหมอไปดิฉันรู้สึกสับสนไปหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเราทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยวเราไปทำอะไรให้เขาเขาถึงได้ตามมาเอาชีวิตเราพวกเราทำอะไรผิดพูดจบพ่อหมอได้หยิบเชือกให้ พ่อหมอบอกว่าให้เอาเชือกอันนี้ไปผูกรอบบ้านแล้วอย่าไปยุ่งกับที่ของเขาเราก็ถามพ่อหมอว่าที่ของเขาคือบ้านหรือว่าอะไรในตอนนั้นเราคิดขึ้นได้ทันทีหรือว่าจะเป็นห้องที่เจ้าของบ้านใส่กุญแจห้องล็อกไว้เราเลยถามคนในกลุ่มเราว่า มีใครได้ไปยุ่งอะไรกับห้องนั้นไหมพี่น้องฝาแฝดเลยบอกว่าเมื่อคืนตอนก่อนนอนได้ยินเสียงเหมือนอะไรอยู่ในห้องนั้นหลายรอบน้องสาวบอกว่ารำคาญนอนไม่หลับเลยไปเคาะประตูห้องแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปน้องแฝดก็ไม่ได้คิดอะไรกลับห้องมานอนเหมือนเดิม คือตอนนั้นในกลุ่มเราเข้าใจทันทีเลยว่าต้องมีอะไรในห้องนั้นแน่ๆเลยถามพ่อหมอไปพ่อหมอเลยบอกว่าอย่าไปยุ่งกับที่ของเขาต่างคนก็ต่างอยู่ถ้าคืนนี้ผ่านไปได้ก็ไม่มีอะไรแล้วพวกเราทุกคนต่างพากันไหว้ขอบคุณพ่อหมอแล้วกลับที่พักกันพอกลับถึงที่พัก เปิดประตูเข้าไปปุ๊บกลิ่นซากศพลอยมาก่อนเลยข้าวของกระจัดกระจายเต็มห้องผนังห้องถูกเขียนด้วยลิปสติกสีแดงลุงคนขับรถตู้บอกเป็นภาษาฮะมเมําทำให้ทุกคนกลัวกันเข้าไปใหญ่ลุงคนขับรถตู้ก็พูดปลอบว่า ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเอาเชือกที่พ่อหมอให้มาผูกรอบบ้านก็คงไม่มีอะไรแล้วละ่ะทุกคนเลยต่างพากันเก็บของทำความสะอาดลุงคนขับรถตู้ได้เอาเชือกที่พ่อหมอให้ไปผูกไว้รอบบ้านคนขับรถตู้ก็ได้เล่าให้ฟังอีกว่าขณะที่นาเชือกไปผูกอยู่นั้น เขาได้เห็นเงาดำๆอยู่บนต้นไม้แล้วมองมาที่พวกเราหลังจากที่ช่วยกันเก็บของเสร็จเราก็พูดคุยกันว่าเดี๋ยวเราแยกย้ายทาภารกิจส่วนตัวแล้วลงมารวมกันที่ห้องนั่งเล่นดิฉันกับน้องที่พักด้วยกันได้ขึ้นกลับไปที่ห้องต่างรีบเก็บเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วรีบโทรศัพท์ไปหาแม่ดิฉัน ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแม่ดิฉันเองก็ตกใจแล้วบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับตั้งแต่ที่ดิฉันเดินทางไปต่างจังหวัดแม่เล่าให้ฟังอีกว่าฝันเห็นคุณยายของดิฉันมาบอกว่ากำลังจะเกิดอันตรายกับคนในบ้านขณะที่คุยกับแม่อยู่ ก็ได้ยินเสียงเหมือนแจกันตกพื้นดังมาจากห้องข้างๆแล้วหน้าต่างห้องดิฉันก็เปิดออกลมก็พัดเข้ามาในห้องดิฉันรีบวิ่งไปปิดหน้าต่างก็เหลือบไปเห็นหน้าต่างห้องข้างๆมันเปิดอยู่แล้วก็มีเงาดำๆยื่นหน้ามองมาหาดิฉันรีบปิดหน้าต่างแล้วบอกน้องว่าเราสองคนรีบลงไปรอข้างล่างกันเถอะ ขณะที่เรากําลังออกจากห้องกันนั้นก็ได้ยินเสียงคนทุบ ป, ประตูดังมาจากห้องข้างๆเรารีบวิ่งลงมาข้างล่างกันพี่ก็ถามว่าเป็นอะไรกันมาหรือเปล่าดิฉันก็เล่าให้พี่เขาฟังพี่หัวหน้าก็เล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อกี้ตอนอาบน้ำเหมือนมีคนมองอยู่ข้างนอกความรู้สึกเหมือนมีคนมาเดินอยู่ ร, บรอบๆ เราคุยกันไปได้สักพักน้องที่นอนห้องเดียวกันกับดิฉันก็มาบอกว่าลืมโทรศัพท์ไวที่ห้องขึ้นไปเอาเป็นเพื่อนหนูหน่อยได้ไหมดิฉันก็บอกว่าได้เดี๋ยวให้ลุงคนขับรถตู้ขึ้นไปเป็นเพื่อนในขณะที่เรากำลังขึ้นบันไดนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนบทสวดมนต์เป็นภาษาขเขมรเรารีบหยิบโทรศัพท์แล้วรีบออกจากห้อง ขณะที่กำลังจะเดินลงบันไดฉันหันไปเห็นผู้หญิงที่เยียบหน้าอกฉันยืนอยู่ที่มุมห้องแล้วค่อยๆเดินมาหาพวกเราตอนนั้นเรารีบลงบันไดกันมาที่ห้องนั่งเล่นแล้วนั่งรวมกลุ่มกันรอเวลาให้ถึงเช้าตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆต่างคนต่างเงียบไม่มีใครพูดอะไรกันช่วงเวลานั้น เป็นช่วงที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตไม่คิดว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วจูจ่ๆพวกเราก็ได้ยินเสียงสวดมนต์อีกรอบรอบนี้ดังกว่ารอบก่อนๆประตูกับหน้าต่างก็ค่อยๆเปิดออกเห็นเงาดำๆหลายเงาเดินอยู่รอบๆ บ, บ้านจังหวะนั้นนึกขึ้นได้ว่าพี่น้องฝาแฝดอยู่บนห้องตั้งแต่กลับมา ยังไม่ได้ลงมาข้างล่างเลยดิฉันจึงตะโกนเรียกแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบรับใดๆเราจึงปรึกษากันขึ้นไปตามกันทั้งหมดนั่นแหละพวกเราก็ขึ้นไปตามไปเคาะหน้าห้องกันแต่พี่น้องฝาแฝดก็ไม่ยอมเปิดประตูดิฉันหันไปมองห้องข้างๆห้องดิฉันห้องที่ล็อกกุญแจปรากฏว่า แม่คุณแจตกอยู่ที่พื้นดิฉันก็สะกิดบอกลุงคนขับรถตู้เมื่อลุงเห็นแบบนั้นจึงเดินเข้าไปหน้าห้องแล้วเปิดประตูพอเปิดประตูเสร็จมันก็เป็นเหมือนห้องทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างมีกลิ่นเหม็นสาบกลิ่นซากศพลอยออกมาเมื่อเรามองไป ก็เห็นแฝดพี่กำลังนั่งกรีดข้อมือตัวเองอยู่ที่มุมห้องเราพากันเข้าไปห้ามไปเอามือออกแต่เลือดไหลเยอะมากและเราก็ได้ยินเสียงคนเปิดหน้าต่างออกพอหันไปดูก็เห็นแฝดน้องนั่งอยู่ขอบหน้าต่างและได้หันหน้ามาหาพวกเราแฝดน้องยิ้มให้พวกเราแต่คือรอยยิ้มของแฝดน้องฉีกไปถึงใบหู พอยิ้มเสร็จน้องก็กระโดดลงไปข้างล่างคือตอนนั้นพวกเราทำอะไรไม่ถูกมันเกิดขึ้นเร็วมากพี่หัวหน้าก็ได้บอกให้ลุงสตาร์ทรถจะพาฝาแฝดไปโรงพยาบาลพวกเราช่วยกันแบกแฝดพี่ลงมาข้างล่างและเราก็ไปหาแฝดน้องกันพอไปเห็นแฝดน้องเราร้องไห้ก่อนเลย รู้ว่าน้องคงไม่รอดแล้วเธอตกลงมาหัวฟาดกับหินข้างล่างแต่พวกเราก็แบกเธอขึ้นรถพาไปโรงพยาบาลเราต้องเข้าตัวเมืองเพื่อไปโรงพยาบาลขณะที่กำลังเดินทางก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเอาเล็บมากรีดกระจกทั้งสองข้างได้ยินเสียงไปตลอดทางจนถึงโรงพยาบาล ทุกคนต่างเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดิฉันนั่งรออยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินภาวนาให้ทั้งสองคนไม่เป็นอะไรในที่สุดหมอก็ออกจากห้องมาเรารีบวิ่งไปถามหมอเกี่ยวกับอาการทั้งสองหมอบอกว่าเสียใจด้วยไม่สามารถช่วยชีวิตทั้งสองคนไว้ได้ตอนที่หมอบอกมานั้นดิฉันล้มทั้งยืน ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพวกเราพี่หัวหน้าก็ได้เข้ามาปลอบบอกน้องแฝดหมดกรรมแล้วเขาคงไปดีแล้วตอนนี้เรามาช่วยกันคิดวิธีบอกพ่อแม่ของน้องเขาดีกว่าไหมพอถึงตอนเช้าเราได้ไปแจ้งความแจ้งสถานที่เกิดเหตุพ่อแม่ของน้องได้พาตำรวจไปที่พักของเรา พอไปถึงเราก็ไปชี้จุดเกิดเหตุแต่ที่แปลกมากที่สุดคือรอยเลือดของน้องทั้งสองคนไม่มีเลยเราเลยพาตำรวจขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านในห้องที่เกิดเหตุปรากฏว่าห้องนั้นมันก็ยังล็อกเหมือนเดิมทางตำรวจเลยช่วยกันพังประตูเข้าไปก็พบว่าเหมือนสถานที่ทำพิธีกรรมมีหัวกะโหลก มีรูปปั้นต่างๆที่แปลกก็คือประตูห้องล็อกได้ยังไงใครเป็นคนมาล็อกตำรวจก็ถ่ายรูปเก็บหลักฐานต่างๆตอนเย็นก็นำศพเข้ามาในกรุงเทพเพื่อบำเพ็ญกุศลดิฉันสองคนกับหัวหน้าก็นั่งอยู่ด้วยกันในรถที่มีศพของน้องมาด้วยก่อนจะถึงกรุงเทพดิฉันเผลอหลับไป แล้วก็ได้ฝันว่าได้กลับไปที่บ้านหลังนั้นฉันยืนอยู่หน้าบ้านเห็นน้องทั้งสองคนยืนมือออกมาจากหน้าต่างเหมือนขอความช่วยเหลือแต่พี่หัวหน้าก็ปลุกฉันหัวหน้าบอกว่ามีคนโทรมาบอกว่ารถตู้ที่ลุงคนขับรถกับน้องอีกคนหนึ่งที่กำลังกลับกรุงเทพเกิดอุบัติเหตุน้องผู้ชายเสียชีวิตคาที่เกิดเหตุ ส่วนลุงคนขับรถอยู่ในห้องไอซดิฉันร้องไห้อีกรอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเรื่องนี้ยังไม่จบใช่ไหมแล้วใครที่จะต้องมาตายเป็นรายต่อไปพอถึงกรุงเทพฉันกับพี่หัวหน้าได้แยกย้ายกันกลับบ้านพอฉันถึงบ้านก็รีบวิ่งไปกอดแม่แล้วร้องไห้ คือตอนนั้นเราไม่ไหวจริงๆเพราะเราจะเข้าบ้านแม่ก็ทักว่าแล้วทำไมไม่เรียกเพื่อนเข้าบ้านด้วยล่ะลูกดิฉันรีบบอกให้แม่เข้าบ้านแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม่ดิฉันตกใจถามว่าไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าฉันก็บอกว่า ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่อาศัยนอนตื่นมาก็ไปทำงานดิฉันเลยถามว่าแม่ว่าควรทำยังไงดีฉันไม่สบายใจเป็นอย่างมากแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้จะพากลับบ้านต่างจังหวัดเดี๋ยวแม่จะพาไปหาพระป่าท่านหนึ่งฉันก็โอเคทําธุระส่วนตัวเสร็จจะไปปิดหน้าต่างจะนอน ห้องของฉันอยู่ที่ชั้นสองด้านหน้าสามารถมองเห็นหน้าบ้านจากหน้าต่างในขณะที่กำลังปิดหน้าต่างฉันก็เห็นคนหลายคนเป็นเงาดำๆเดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้านพอกำลังจะปิดหน้าต่างคนพวกนั้นก็หันมามองที่ฉันฉันรีบปิดหน้าต่างเข้านอนทันทีรู้สึกเพลียมากเลยหลับไป แล้วก็ได้ฝันว่าได้ไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นได้เห็นเหตุการณ์เดิมๆซ้าไปซ้ามาพอมาตื่นอีกทีตอนเจ็ดโมงเช้าเราคิดไว้ว่าคืนนี้เราจะไปงานศพของน้องฝาแฝดเราก็เลยโทรชวนพี่หัวหน้าพี่หัวหน้าก็โอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่วัดพอเรามาถึงวัดเราก็บอกพี่หัวหน้าไปว่า วันเสาร์นี้เราจะกลับบ้านกับแม่จะไปหาพระป่าพี่จะไปด้วยกันหรือเปล่าพี่เขาบอกไม่ไปเพราะพี่เขาเพิ่งจะเคลียร์งานเคลียร์ปัญหาต่างๆเราก็โอเคพอถึงเวลาสวดอภิธรรมของน้องฝาแฝดสิ่งแปลกๆ ก, ก็เกิดขึ้นเสียงหมาในวัดหอนกันดังมากหอนไม่หยุดผู้คนก็พากันแตกตื่น สีหน้าของพระก็ไม่ค่อยดีมีพระสงฆ์รูปหนึ่งน่าจะเป็นพระผู้ใหญ่ได้เดินไปหน้าสาลาแล้วพนมมือสวดมนต์เสียงหมาหอนก็พากันหยุดแล้วก็เริ่มสวดอภิธรรมกันต่อสวดไปได้สักพักเหตุการณ์ก็ยังไม่จบเพราะอยู่ดีๆชั้นวางศพของน้องแฝดก็หักทำให้ลงศพของน้องร่วงลงพื้นฝาลงศพ ก็เปิดออกเรากับพี่หัวหน้าพร้อมกับพ่อแม่ของน้องได้เดินไปหยิบฝาโลงศพเพื่อที่จะมาปิดเหมือนเดิมก่อนที่เราจะนำมาปิดเราได้เห็นศพของน้องเขายังไม่หลับตาศพของน้องแห้งผิวดำคือมันไม่เหมือนศพปกติทั่วไปดิฉันรู้สึกไม่ค่อยดีกับเหตุการณ์นี้แล้วมีพระผู้ใหญ่คนเดิม ได้เดินเข้ามาดูแล้วพระก็บอกว่าโยมทั้งสองที่ตายไปโดนของดำเป็นของขเขมรหลังจากสวดอภิธรรมเสร็จก็แยกย้ายกับพี่หัวหน้ากลับบ้านดิฉันต้องขับรถกลับบ้านในระหว่างที่ออกจากวัดหน้าวัดจะมีต้นไม้ใหญ่ที่ฉันได้มองขึ้นไป ก็เห็นเงาดำๆนั่งห้อยขาอยู่บนต้นไม้มองมาที่รถฉันฉันพยายามไม่คิดอะไรขับต่อไปพอเลี้ยวรถออกไปจากวัดก็รีบขับกลับบ้านตอนนั้นก็ได้เปิดเพลงเสียงดังพยายามข่มใจพยายามร้องเพลงพยายามทำทุกอย่างไม่ให้คิดพอเลี้ยวเข้าซอยบ้านอยู่ดีๆ เสียงเพลงที่เปิดอยู่นั้นได้เปลี่ยนเป็นเสียงสวดภาษาขเขมรที่ดิฉันเคยได้ยินที่บ้านหลังนั้นแล้วฉันได้มองที่กระจกหลังเห็นเงาคนดำๆวิ่งตามรถของฉันมาจังหวะนั้นไม่สนใจอะไรแล้วพอถึงบ้านเสร็จก็เปิดประตูรถวิ่งเข้าบ้านทันทีพอถึงบ้านแม่ก็รีบมาหามาปลอบดิฉัน ตอนนั้นดิฉันกลายเป็นคนเสียสติพร่ำเพ้อคือทุกอย่างที่ได้เจอมันรับไม่ไหวแล้วคือตอนนั้นอยากจะตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปแต่สิ่งที่เรียกสติคืนกลับมาคืนนั้นได้เห็นคุณยายของฉันเข้ามาลูบหัวเข้ามากอดจากนั้นฉันก็จาอะไรไม่ได้อีกเลยพอตื่นมาอีกทีก็เช้าแล้ว ฉันรีบไปคุยกับคุณแม่บอกเรากลับบ้านวันนี้กันเลยแม่ก็ตกลงฉันเลยรีบไปเก็บเสื้อผ้าต่างๆก่อนที่จะกลับบ้านต่างจังหวัดฉันได้โทรศัพท์ไปบอกพี่หัวหน้าคือโทรไปขอร้องพี่เขาให้กลับบ้านพร้อมเราไปหาพระป่าด้วยกันแต่พี่หัวหน้าก็ปฏิเสธพี่หัวหน้าจะคอยเคลียร์ปัญหา เราทำใจแล้วบอกหัวหน้าให้ดูแลตัวเองดีๆมีเรื่องอะไรก็ให้รีบโทรศัพท์มาบอกฉันจึงเดินทางกลับบ้านกับแม่มีพี่ชายลูกของป้าเป็นคนขับรถให้เวลาประมาณห้าโมงเย็นเราแวะทานข้าวกันที่ปั๊มแห่งหนึ่งก่อนถึงตัวจังหวัดพี่ชายก็เล่าให้ฟังว่าตอนขับรถรู้สึกว่ามีอะไรกุกกักอยู่บนหลังคารถ พอทานข้าวกันเสร็จเราทั้งสก็ได้ไปดูที่หลังคารถเห็นเป็นรอยเลือดสีดำๆอยู่บนหลังคารถพี่ชายก็รีบล้างเลือดนั้นออกแล้วเดินทางต่อพอขับเข้ามาในตัวจังหวัดแล้วฉันสังเกตเห็นพี่ชายมองกระจกข้างแบบแปลกๆ ก, ก, ก็เลยถามว่ามีอะไรทำไมมองกระจกแปลกๆ พี่ชายบอกว่าเห็นเหมือนมีเงาอะไรตามเรามาตลอดตั้งแต่ตอนออกจากปั๊มแล้วจากที่พี่ชายได้เห็นสิ่งผิดปกติตามรถของเรามานั้นเราจึงตัดสินใจรีบเดินทางกลับบ้านของแม่ให้เร็วที่สุดในขณะที่กำลังกลับบ้านนั้นพี่หัวหน้าได้โทรศัพท์มาหาเราพี่เขาบอกว่าลุงคนขับรถเสียชีวิตแล้วนะ เราอึ้งพูดอะไรไม่ออกอยู่ดีๆน้ำตาเราก็ไหลแล้วพี่หัวหน้าก็บอกกับฉันว่าเหลือแค่เราสองคนแล้วสินะดูแลตัวเองให้ดีด้วยหลังจากวางสายเสร็จแม่ได้โทรไปบอกป้าที่บ้านว่ากำลังจะถึงบ้านแล้วแต่มีบางสิ่งบางอย่างตามมาให้ช่วยเรียกลุงมาดูให้หน่อย เมื่อไปถึงบ้านดิฉันก็ได้พบกับลุงลุงได้ถือมีดเล็กๆไว้ในมือลุงได้ดึงปลอกมีดออกตัวของมีดเล่มนั้นมีอักขระเขียนอยู่น่าจะเป็นมีดหมอลุงได้ท่องบทสวดพร้อมทั้งนํามีดกรีดไปที่พื้นแล้วบอกให้รีบเข้าบ้านทันทีที่เข้าบ้านลุงก็เอ่ยปากพูดกับเราว่าอินู เอ็งไปทำอะไรมาพวกเขาจะมาเอาชีวิตเอง็งเราเลยได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ลุงฟังลุงก็ไล่เราให้รีบไปอาบน้าไปทำธุระให้เสร็จแล้วขึ้นไปนอนห้องพระลุงบอกคืนนี้เขาคงจะมาเอาเอ็งไปแน่ถ้าคืนนี้ไม่มีปัญหาอะไรพรุ่งนี้เช้าจะได้ไปหาพระท่านให้ท่านช่วยเหลือ ตอนนั้นทุกคนในบ้านต่างหวาดระแวงลุงได้ปิดบ้านปิดประตูปิดทุกอย่างและได้บอกกับดิฉันว่าคืนนี้ถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรผิดแปลกห้ามออกมาจากห้องพระเด็ดขาดให้อยู่ในห้องพระจนถึงเช้าดิฉันได้เข้าไปอยู่ในห้องพระของลุงในห้องพระนั้นได้จุดเทียนเพื่อเป็นแสงสว่าง มีกลิ่นทูบบูชาอยู่ในห้องพระนั้นทาให้ดิฉันสบายใจยิ่งขึ้นดิฉันก็เลยได้นั่งสมาธิแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแต่แล้วเทียนก็ดับลงมีคนมาเคาะประตูห้องแต่ลุงบอกดิฉันว่าห้ามเปิดเด็ดขาดดิฉันจึงไม่ได้ไปเปิดได้แต่นั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่หน้าหิ้งพระ เวลาผ่านไปพักหนึ่งก็มีคนมาทุบหน้าต่างห้องพระทุบอยู่หลายครั้งมากแต่ดิฉันก็ทำเป็นไม่ได้ยินแล้วจู่จูหน้าต่างก็เปิดออกเองเราหันไปดูก็เจอเงาดำๆนั่งยองๆอยู่ขอบระเบียงนั่งจ้องมองมาที่เราจากที่เงานั้นนั่งจ้องดิฉันอยู่ที่ระเบียงดิฉันก็ไม่สนใจนั่งหลับตาทำสมาธิต่อ แล้วก็หลับไปตอนไหนไม่รู้มารู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วดิฉันหันไปดูที่หน้าต่างก็เห็นแสงพระอาทิตย์จึงเปิดประตูลงไปข้างล่างเห็นแม่กับลุงได้เตรียมของกันมีดอกไม้รูปเทียนเสื้อผ้าชุดขาวและผ้าดิบเรานั่งทานข้าวกันแล้วลุงก็ถามว่าเมื่อคืนเอ็งคงเจอหนักเอ็งรีบทำอะไรให้เสร็จ แล้วไปหาพระป่าด้วยกันเราช่วยกันแบกสิ่งของต่างๆขึ้นหลังรถแล้วเดินทางวัดของท่านพระป่าอยู่ห่างจากตัวเมืองไปมากทางเข้าก็ลำบากเป็นดินแดงตลอดทางกว่าจะมาถึงก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันพอไปถึงท่านพระป่าก็ได้เดินมาหาเราบอกให้ดิฉันไปเปลี่ยนใส่ชุดขาวหลังจากที่เปลี่ยนชุดเสร็จ ดิฉันได้คุยกับพระก็เลยถามว่าพี่อีกคนหนึ่งจะเป็นอะไรไหมพระท่านก็บอกว่าเอ็งไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกเขามีคนช่วยเหลืออยู่เอ็งควรเป็นห่วงตัวเองดีไหมถ้าเอ็งผ่านคืนนี้ไปไม่ได้เอ็งก็คงได้ตามเพื่อนๆของเอ็งไปพอพูดจบลุงได้ยกลงศพเก่าๆมาวางไว้แล้วบอกว่าคืนนี้ เอ็งต้องนอนในโลงศพผีตายโหงเวลาประมาณหกโมงเย็นดิฉันได้เข้าไปในโลงศพตัวของดิฉันถูกพันด้วยผ้าดิบพนมมือถือดอกไม้ทูบเทียนทำเหมือนเป็นคนตายแล้วลุงก็ยกโลงของดิฉันไปไวที่หนึ่งแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าได้ยกโลงศพไปวางไว้ที่ไหน เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งจากเสียงที่เงียบสนิทหมาก็เริ่มหอนเสียงลมค่อยๆพัดเข้ามาดิฉันได้ยินเสียงคนเดินรอบๆโลงศพตอนนั้นรู้สึกกังวลจิตตกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆดิฉันรู้สึกเหมือนมีคนมันนอนข้างๆโลงศพหันหน้าเข้ามาหาดิฉันแล้วสวดภาษาขเขมรใส่ ตอนนั้นพยายามตั้งสติสวดมนต์แต่ก็มีอะไรบางอย่างค่อยๆขึ้นมาอยู่บนลงศพแล้วทุบลงศพที่อยู่ด้านหน้าของเราเสียงทุบเริ่มดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆจากเสียงทุบกลายเป็นเสียงกรีดร้องช่วงเวลานั้นเรารู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปช้ามากได้แตงหลับตารอให้ถึงเช้า พอถึงตอนเช้าลุงก็มาเปิดโลงศพออกดิฉันลุกขึ้นมาเห็นบริเวณรอบๆเป็นเหมือนป่าช้าดิฉันก็ไม่ได้ถามอะไรมากต่างพากันกลับไปที่วัดดิฉันได้อาบน้ำมนต์ตอนนั้นรู้สึกดีขึ้นรู้สึกสบายใจพระท่านได้บอกว่าเขาไม่ไมายุ่งกับเองแล้วละ่ะเองสบายใจได้แล้ว เราเดินทางกลับบ้านปกติไม่มีเสียงไม่มีสิ่งแปลกอะไรเกิดขึ้นกับตัวดิฉันแล้วส่วนพี่หัวหน้านั้นดิฉันมารู้ทีหลังว่าเขาเป็นคนมีองค์คอยช่วยเหลือปกป้องเขาหลังจากที่เหตุการณ์ต่างๆได้จบลงพ่อแม่ของน้องแฝดได้มาหาดิฉันที่บ้านได้มาบอกดิฉันว่าฝันถึงน้องฝาแฝด ในฝันแม่ของน้องฝาแฝดได้เล่าให้ฟังว่าเห็นน้องแฝดทั้งสองคนอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งพยายามขอความช่วยเหลือน้องฝาแฝดพยายามหนีออกมาแต่ก็หนีออกไม่ได้ดิฉันคิดว่าน้องทั้งสองยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นจึงได้ตัดสินใจกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งก่อนที่จะกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีก ฉันได้โทรศัพท์หาเจ้าของบ้านพักแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ฉันเลยหาข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านหลังนั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีข้อมูลของบ้านหลังนั้นเลยดิฉันได้โทรหาพี่หัวหน้าเล่าเรื่องราวให้เขาฟังและได้ชวนกลับไปที่นั่น เราตกลงกันว่าจะเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นอีกในขณะที่เรากำลังเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นความรู้สึกแปลกๆได้กลับมาอีกครั้งเราสองคนได้ไปสอบถามข้อมูลต่างๆภายในจังหวัดแต่ก็ไม่มีใครทราบข้อมูลของบ้านหลังนั้นเลยพี่หัวหน้าได้บอกว่ายังจำชาวบ้านที่เราถามทางกันตอนแรกได้ไหม เราไปถามที่นั่นกันในขณะที่เราเดินทางไปหาชาวบ้านฟ้าก็เริ่มมืดลงทุกทีบรรยากาศรอบตัวทำให้รู้สึกกลัวแบบบอกไม่ถูกเราได้ตะโกนเรียกชาวบ้านอยู่นานจนมีชายแก่แกคนหนึ่งมาเปิดประตูแล้วเดินมาหาเราสองคนพอชายแก่ได้เห็นเราเขาก็ทำหน้าตกใจพยายามมองหาอะไรสักอย่าง ชายแก่ได้บอกกับเราว่าพวกเอ็งกลับไปเถอะเอ็งมากันที่นี่ทำไมชายแก่พูดเสร็จก็ได้รีบเดินกลับเข้าบ้านแต่พวกเราสองคนก็ยังตามไปชายแก่ได้พูดอีกว่าพวกเอ็งสองคนมาถามเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นใช่ไหมข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นพวกเอ็งกลับไปเถอะ หลังจากที่คุยกับลุงคนนั้นอยู่ที่หน้าบ้านก็ได้เกิดลมพัดแรงได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนลอยตามลมคุณลุงได้บอกให้รีบเข้าบ้านก่อนมีอะไรเข้ามาคุยกันในบ้านคุณลุงทำท่าตกใจเดี๋วรีบวิ่งไปปิดประตูนหน้าต่างพวกเราก็ได้เข้ามาอยู่ในบ้านของลุงซึ่งภายในบ้านของลุงนั้นคล้ายเป็นสำนักสงฆ์ มีโต๊ะพระเครื่องมีดอกไม้บูชาเราได้นั่งคุยกันฉันได้ถามลุงว่าบ้านหลังนั้นเคยมีประวัติไม่ดีหรือเปล่าลุงได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนได้มีคนขเขมรมาเช่าบ้านหลังนั้นอยู่อาศัยบ้านหลังนั้นทำคุณไสมนต์ดำมีคนต่างพื้นที่เข้ามาทำคุณไสกันเยอะแต่เกิดเรื่องไม่ดีขึ้น ลุงแกเล่าให้ฟังว่าหมอสายดำคนนั้นได้ทำเกี่ยวกับพวกของต่ำพอทำไปนานๆคุณใสที่ทำก็เข้าตัวเองวิญญาณทั้งหลายที่ถูกนำมาทำก็ไปไหนไม่ได้ได้แต่อยู่ในบ้านหลังนั้นผู้คนที่อยู่ที่นี่ก็พากันย้ายออกไปหมดไม่มีใครกล้ายอยู่ที่นี่ลุงได้เล่าอีกว่าก่อนที่พวกเองจะมา ลุงได้ขับรถเข้าไปในตัวเมืองได้ผ่านบ้านหลังนั้นลุงได้เห็นผู้หญิงที่มากับเราตอนแรกยืนอยู่ที่บ้านหลังนั้นพอเสียงลุงพูดจบประตูบ้านก็ค่อยๆเปิดออกกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพได้ลอยเข้ามาในบ้านและมีเงาดำๆรูปร่างใหญ่ยืนอยู่ที่ประตูบ้าน เมื่อลุงเห็นแบบนั้นก็ได้จุดทูกที่โต๊ะพระเครื่องแล้วนั่งพนมมือสวดมนต์ลมก็พัดแรงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ลุงสวดมนต์ไฟในบ้านลุงก็เกิดดับเหลือแต่ไฟจากแสงเทียนเสียงโหยหวนได้ดังผ่านมาตามลมพอลุงสวดมนต์จบได้เดินไปที่หน้าบ้านแล้วพูดว่าพวกมึงอยู่ที่ไหนพวกมึงกลับไปเดี๋ยวนี้ อย่ามายุ่งที่ของกูแล้วเสียงลมเสียงร้องก็เงียบหายไปเหตุการณ์ก็ได้กลับมาปกติอีกครั้งฉันได้ถามลุงเกี่ยวกับผู้หญิงที่ลุงเจอที่บ้านหลังนั้นว่ามีรูปร่างลักษณะอย่างไรลุงบอกลักษณะของน้องคนนั้นซึ่งตรงกับน้องที่นอนอยู่กับดิฉันที่บ้านหลังนั้นฉันคิดว่าใช่น้องคนนั้นจริงๆ ขอย้อนกลับไปตอนส่งฝาแฝดไปโรงพยาบาลน้องที่นอนกับดิฉันได้ขอตัวกลับบ้านเพราะทนไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันกับพี่หัวหน้าก็ไม่ได้ห้ามอะไรเห็นน้องทนไม่ไหวแต่เมื่อน้องกลับไปแล้วมีเมสเซจส่งมาบอกพวกเราว่าพวกมึงผู้คนต้องตาย ตอนนั้นเรายังไม่ทราบว่าน้องคนนั้นต้องการอะไรกันแน่พอกลับไปที่กรุงเทพไปตามหาน้องที่ห้องพักก็ไม่เจอน้องคนนั้นแล้วน้องได้กลับมาเก็บของย้ายออกไปแล้วพอถึงตอนเช้าเราเลยถามลุงว่ามีวิธีไหนที่แก้เรื่องแบบนี้ลุงบอกถ้าอยากจะช่วยจริงๆให้พาพ่อแม่ของคนที่เสียชีวิต มาหาลุงเพื่อจะได้ทำพิธีเราก็ได้โทรไปนัดหมายพ่อแม่ให้มาทำพิธีลุงบอกให้เตรียมข้าวของเครื่องใช้ของคนตายผ้าถุงแม่กับผ้าขาวนํามาด้วยเพื่อประกอบพิธีพอทุกอย่างพร้อมเราเดินทางไปที่หน้าบ้านหลังนั้นแล้วเริ่มพิธีลุงได้เตรียมหุ่นฟางกับขันใส่น้ำมนต์วางไว้หน้าบ้าน แล้วนำสิ่งของเครื่องใช้ของคนตายติดไว้ที่ตัวหุ่นฟางจากนั้นลุงก็ท่องบทสวดมนต์พอท่องเสร็จก็ได้นำผ้าถุงแม่ไปคลุมหุ่นฟางจากนั้นก็นำผ้าขาวไปใส่ในขันน้ำมนต์จากผ้าที่ขาวสะอาดเปลี่ยนกลายเป็นสีดำลุงบอกให้นำผ้าดำนี้ไปเผาในที่เผาศพของคนตาย หลังจากที่ทำพิธีเสร็จเราได้เดินทางกลับมาที่กรุงเทพตลอดทางที่กลับกรุงเทพได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะกระจกรถได้ยินเสียงคนนั่งอยู่บนหลังรถแล้วเอามือทุบหลังคารถก่อนที่จะถึงวัดตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนแล้วแต่ก็ต้องทำเพราะลุงได้สั่งไว้ว่าให้เผาในคืนนี้ เราได้เดินทางไปที่วัดที่เผาศพของน้องได้เรียกสับปะเรอมาเผาเพื่อจะได้เสร็จพิธีเสียงหมาในวัดก็พากันหอนตลอดลมพัดแรงหลังจากทำพิธีเสร็จเสียงต่างๆก็เงียบลงเรากับพ่อแม่ของน้องได้พากันแยกย้ายกลับบ้านเรื่องราวต่างๆก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ดิฉันก็เหมือนคนมีปม ไม่กล้าไปค้างคืนที่ไหนไม่กล้าพูดคุยกับใครเหมือนฉันอยู่ในโลกส่วนตัวของฉันคนเดียวเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณเรื่องเล่าห ล, อ น, หลอนจากท่านสมาชิกเว็บพันทิพย์หมายเลข 2.373.432 มาณะมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าเรื่องเล่าเรื่องนี้